จะพอโพดขึ้นมาได้นะเาขากวดนี้มนหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ไม่โพดไปก็ไม่รู้จะเกือบกีป่ปีเหมือนกันนะคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานปีนี้หลวงพ่อ70ตอนะั้นลูกหลานนะไม่ใช่พ้าน้อยผ้านุ่มบวชมาในพระพุทธศาสนาฝากฝังชีวิตไว้ในพุทธศาสนา50ปีพรรษา50แล้วก็เป็นสมัมมาเนนอีก8 58ปปีที่หลวงพ่อ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 เพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนในเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของพระพุทธศ า, าสนา เ, เป็นของทุกคนไม่อย่าไปทึบอย่าไปคิดอย่าไปถือว่าเป็นของอาจันดุงนะหลวงพ่อดุงนะหลวงพ่อดุงตายแล้วหลวงพ่อดุงเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างนะ่ะเพรา ะ, ะนั้นเป็นสมบัติของแผ่นดิน เ, เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา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 ต่อไปก็เนี่ยแหละพวกคณะสัตธาธิโยมก็ปอบหลวงพ่อมอบหมายมอบฝังให้กับคณะสัตายาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะาให้ถือว่าเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของพวกเราทุกคนมาไหว้พระรักษาศีลภาวน า, ามาการาบพระประธานล่นแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลถ้าช่วงไหนมีความทุกข์ใจขึ้นมาเอามาเอมานั่งภาวนาดีที่ศาลาอยู่เงียบเงียบฮะ เพราะว่าศาลาของเราเนี่ยดูๆแล้วได้ยินแต่เสียงเครื่องบินเท่านั้นอ่ะที่จะเสียงรถเสียงราเข้ามาเนี่ยก็ไม่มีเป็นสถานที่สงบสงัดเหมาะสมแก่การบําเพ็ญทางจิตภาวนาเพราะฉะนั้นเรื่องการก่อสร้างศ า, าลาหลวงพ่อมาดูแลก็ไม่ไม่ถึงก็ใหญ่แต่ก็เป็นถาวรวัตถุแบบทันสมัยก็คงจะได้ใช้เงินมากพอสมควร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 ท่านจะต้องเดินทางไกลนะพะองค์ตัดเนี่ยตรงๆนะจะได้เดินทางไกลนะได้คิดไว้ทีอย่างได้เตรียมไว้ทีอย่างสเบียงเดินทางได้เตรียมไว้ทีอย่างถ้าไม่ได้เตรียมไว้เตรียมไว้นะเดินทางไกลแน่นะถ้าไม่ได้เตรียมสเสบียงไว้จะเดินทางนะจะลําบากเพราะไม่มีรองเท้าไม่มีล่มไม่มีอุปกรณ์ในการเดินทาง เพราะท่านเดินทางท่านจะต้อรับความลําบากแต่ถ้าท่านได้เตรียมพร้อมไว้แล้วท่านจะเดินทางด้วยความส ะ, สะดวกปลอดภัยจะไปพักที่ไหนในระหว่างกลางทางท่านได้คิดไว้ละอย่างพราหมณ์อุบาสกคนนั้นก็สะดุ้งเหมือนกันนะท่านนี่พระองค์บอกว่าพราหมณ์อุบาสกถ้าพูดแบบภาษาแบบง่ายๆให้ฟังเข้าใจง่ายๆว่าอุบาสกท่านจะตายนะอีก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 อทางพอออเขาก็จะให้หลวงพ่อลงมาทางนี้พอลูกศิษย์ทางวัดนะ่ะหลวงพ่อก็เออจะลงมาแต่ทางโน้นพอได้ยินมาหลวงพ่อไม่ไปทางเขานะเขามาตั้งแต่ตีสามมื่อวานนี่ <c oughs> โอ้ยหลวงพอ่อจะผมนอนไม่หลับนั่งไงก็หลวงพ่อต้องไปพราะบ่าผมบอกทั้งอธิบดีทั้งใครต่อใครเอทั้งอพวกไอ้อะไรสลากกินแบ่งอะไรมากมายออ คู่คนไปหมดแล้วงั Build ้นถ้าหลวงพ่อไม่ไปตายผมขายขี้นาไม่รู้จะเอานาไปไว้ที่ไหนพนหลวงพ่อได้เย็นก็วเอาแบ่งครึ่งวะวันะก็เลยได้มาทางภูเก็ตอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จะต้องกลับขึ้นไปอีกนั่น่ะเพราะนั้นหลวงพ่อพูดเรื่องหลวงพ่อให้ลูกหลานได้ฟังนั่นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะลูกหลานนะ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 เออสาลาของเรามันทำไมมันสูงนักปีนี่ว่ะวะเออนับดูสิบห้าคันโอ้ไม่ไหวแล้วเออขึ้นจักรยจะขึ้นไปปีสองปีใอย่างมากเจ็ดสิบสองคงไม่ไหวละเออก็เลยนายช่างรถไฟเขามาโอ้นายช่างวะ่ะอ่าอาตมาเนี่ยดูดูแลสาราปีนี่รู้สึกว่าสูงผิดปกติต่ก่อนขึ้นไปก็พอไหวแต่ปีนี้ขึ้นไปแล้วมันหอบเลยนะวะ่ะ แล้วก็เกาะบันไดเกาะลาวบันไดขึ้นอีตฐกรก็เดินฉับชับชับขึ้นไปแต่บัณปีนี้เกาะราวบันไดเห็นได้ชัดเลยเ อ, อถ้าหากว่าต่อไปภายภาคนาธรรมาคงขึ้นไม่ไหวเอาทำลิฟต์ดีไหมหลวงพอ่อท่านอาจารย์โอ้ทํารีต์ไฟฟ้าในอําเภอนายูงคลองลาเนี่ยมันจะตายเวลาไห น, นมันก็ตายถ้าหลวงพ่อมันไปตายอยู่ในริบหลวงพอง <c oughs> อ่อทําังไงเนอใครจะไป ắt, ง ắt ัดงัดริบหลวงพ่อออกได้อีกเทนิมคงไม่เหมาะแล้ว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 อทางจังหวัดพิจิุนโลกหลงพอ่อผมจะส่งช่างมาเลยหลวงพ่ออังคารหลวงตาอังคารพระอาจารย์อังคารหลวงพ่อเออเอารับเดี๋ยวที่เขาบอเลยเปลูหินกันอยู่นะหลวงพ่อก็รับได้หินไม่ถึงทองคําว่ะอคิดว่าหลวงพอ่อคิดว่าถ้ามีใครถวายพื้นทองคำเขาจะเอาทองคําำมองว่าวะ่ะเพราะมีศรัทธาใช่ไหมละ่ะ